阿拉เข้าสู่รายการเคสตดี้กันเลยจ้ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่กำลังตกอยู่ในสภาวะที่ต้องทาใจอย่างกระทันหันแล้วขณะที่ลูกเรียบเรียงเคสตัดี้อยู่นี้ก็เป็นช่วงที่ลูกกำลังจัดงานสอบให้กับสามีที่ดีที่สุดที่ได้มาด่วนจากไปโดยไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน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 ช่วยอธิบายให้กระจใจเรื่องราวอนลึกซึงการสร้างบารมีอย่างนี้เขาเรียกคู่บุญคู่บารมีจะอยู่ด้วยกันแค่ช่วงสั้นนั่นเองสามเองลูกแม้เป็นเพียงข้ารายการที่ไม่ล่ำรวยอะไรนักแต่เราก็พึงพอใจกับการสร้างบุญอย่างเต็มกำลังเราได้ทำบุญในระดับเอสมาแทบทุกงาน ถิงห์กนพระราษปี46อาคารภาวนา60ปี3แสนปลืม้มสาวแก้วพันปีแล้วก็เด็ดตกลงกันว่าจะทำบุญสาวแก้ว 1,300 ต้นอีกต้นละ10บาทาเราเชื่อกันทำหน้าที่พุ่นนำบุญได้ชวนคนสร้างพระชวนคนเปิดบ้านกันลยาณมิตร ชวนคนในหมู่บ้านติดจานดาวทำได้ย0สิบจานและทุกวันอังคารก็จะไปทำหน้าที่ชวนคนใหม่มาปฏิบัติธรรมกันที่ศูนย์กัลยาณมิตรใกล้บ้านโดยลูกและสามีจะเป็นคนออกเงินเช่ารถรับคนไปศูนย์เป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไม่ขาดเลยอีกทั้งวันอาทิตย์ต้นเดือนก็จะชวนคนมาวัด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 อยู่ๆสามีางลูกค็ล้อหมดสติในที่ทำงานโดยไม่มีสาเหตุทุกคนในเหตุการ์ต่างตกตะลึงแล้วก็พาเขาส่งโรงพยาบาลโดยด่วนพอไปถึงหมอ ก, ก็เอ็กซเรย์แล้วก็รีบนำเขาเข้าทำการผ่าตัดสมองด่วนเพราะเส้นเลือดใหญ่ในก้านสมองของเขาแตก ซึ่งโดยปกติแล้วมีคนน้อยรายมากที่จะเป็นกันโดยเฉพาะคนที่ยังหนุ่มและแข็งแรงอย่างสามีลูกไม่น่าจะเป็นอีกทั้งเขาก็ไม่มีโรคประจำตัวหรือมีอาการบ่งชี้ใดๆว่าจะต้องป่วยเลยภายหลังาการผ่าตัดแล้วเขาก็ไม่มีทีท่าว่าการนั่นอะ จะดีขึ้นเลยเพราะเขาสลบหมดสติแม้จกนกระทั่งย่างคำวันที่8เขาก็ยังไม่รู้สึกตัวทำให้ความหวังลูกเลือนรางแล้วก็ริบหลีลงไปเรื่อยๆจบจนวาระสุดท้ายของชีวิตได้มาถึงคือเขาหมดลมหายใจไปเฉยๆก่อนวันมาคาบุชาเพียงสองวัน ไม่จะว่ามัจุราชไม่เคยให้โอกาสใครเลยรถไปใดนียเขาตั้งใจซื้อไว้รับคนมาวันงานมาค้าบูชาจึงไม่มีโอกาสได้ใช้งานเลยตอนนั้นหัวยแจงลูกแทบจะสลายเหมือนโลกกำลังถูกคลากจากอะไรที่ใหญ่หลวนที่สุดไปน้ำตาลูกก็เริ่มไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัว ก็จะหลายซ้ำๆเมื่อภาพแห่การทาความดีของเข้ามาฉายให้ลูกเห็นลูกจะพยายามทำตามหลักวิชาอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่บอกค่ะโดยได้สร้างพระให้เขาเพิ่มอีกหนึ่งองค์ทำบุญคอมมาครับกระทีบแล้วทำบุญเสาแก้เพิ่มให้กับเขาอีกตัองอ้งใจจะทำาสาแก้พันสามร้อยต้นเพิ่มเป็นต้นละหนึ่งร้อยบาท เพื่อส่งบุญให้เขาและบุญอะไรที่พอจะทําให้เขาได้ก็ทําให้เขาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้โลกและสามีเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้รับเด็ก น, น้อยคนหนึ่งมาเลี้ยงเสมือนเป็นลูกของเราแท้ๆเพราะพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้เลิกกันและก็ไม่พร้อมจะรับผิดชอบเด็กซึ่งกับแหลกค่ะ แม้เขาไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่เราทั้งสองก็รู้สึกรักเด็กคนนี้เอามากๆปัจจุบันนี้เขายุได้สี่ขวบแล้วค่ะพ่อของลูกตั้งเป็นทหารบาลศึกที่เคยต่อสู้รบพุ่งอยู่ที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงที่อยู่กองทัพพ่อมักจะดื่มแต่เหล้าและสูบยาเส้นจนติด ครั้นต่อมาท่านได้มาพบรักกับคุณแม่จากนั้นท่นทั้งสองก็ได้ตกลงโปรงใจช่วยกันสร้างเรือนหออยู่กลางน้ำอย่างกับหอพระไตรปิฎก<อ>แล้วใช้ชีวิตอยู่กินโดยกันบนวิมานกลางน้ําอย่างมีความสุขที่สร้างเรือนหอกลางน้ำก็ไ ม, ม่ใช่โรแมนติกอะไรหรอกคะ่ะ แต่เป็นเพราะความจนจุนละทุกตะทั้พ่อกับแม่นะ่ไม่มีแม้กระทั่งที่ดินจะเป็นของตัวเองจริงต้องช่วยกัน <c oughs> ไปหาไม้มาต่อเป็นแพรกลางน้ำแล้วก็ต่อบ้านอยู่บนแพรนั้นไม่รู้จะลงบ้านเล็กที่ยังไงเนี่ยพอ <c oughs> น้ำลงกับนู้น เป็นกิโลน้ำขึ้นแต่ปูนไปกิโลอีกพอน้ำหลากมาทิ้งบ้านแล้วก็กระเพื่มพอน้ํำลงก็ไปอยู่ตําบลนน้นหมู่บ้านโน้นน้ำขึ้นไปอีกอยู่อีกหมู่บ้านคืนลองทีชีวิตครอบครัวเราจ็งขึ้นขึ้นล ง, ลงตลอดเวลาเราถูกเวียนโคลงเคลงแบบนี้เวียนก็ไปเวียนมากระตั้งพ่อแม่มีลูกถึงกนที่ห้า ซึ่งเป็นผู้ชายค่ะงงพรารักลูกชายคนนี้มากเป็นพิเศษแต่ว่าเลี้ยงเขาไม่ได้ได้ไม่นานก็มีเหตุที่ต้องสูญเสียเข้าไปตัแต่เขายุ่ได้เพียงสีขวบเดือดรคอไข้ารากศษตร์ญ่การตายของลูกชายคนนี้เนี่ยทาให้พ่อรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและด้วยความมารอารระหว่างพ่อลูก พอจึงเอามือไปป้ายเอาขามาวก้นหม้อสีดำๆมาป้ายไว้ที่กลางหลังศพลูกชายแล้วก็พูดว่าไว้ให้เองกลับมาเกิดเป็นลูกข้าใหม่นะในอีกประมาณสามปีต่อมาก็มีฝันประหลาดเกิดขึ้นกับแม่คืออยู่ๆแม่ก็ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงได้มาขอเกิดเป็นลูกด้วยได้ฝันแม่จึงตอบไปไปว่าดีเพราะไม่อยากได้ลูกผู้ชายพอเกิดมาแล้วก็ต้องตายในฝันนะจ๊ะ ในฝันพ่อของลูกกลับตอบแม่ว่าถ้ามันเกิดมาเป็นผู้หญิงกูตายซะดีกว่าแต่ถ้ามันเกิดมาเป็นผู้ชายกูจะเลี้ยงมันอย่างดีครั้ามาถึงวันคลอดแล้วก็ว่าเราจะเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงซึ่งก็คือตัวลูกนี่เองค่ะลูกในฝันจริงๆพ่อไม่พอใจมากแต่ที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นคือทุกคนสังเกตเห็นว่าที่แผ่นหลังของลูก มีปานดำปานดำาๆลักษณะเหมือนอรอยเข่าที่พ่อได้ไป้ายหลังศพลูกชายที่ตายไปแล้วจึง ท, ทำให้ลูกจะถูกเข้าใจตลอดมาว่าคือลูกชายคนก่อนของพ่อที่ตายไปแล้วแล้วก็กลับชาติมาเกิดใหม่แต่เรื่องรามันไม่จบเพียงแค่นั้นน่ะสิคะร้อนเด็ฝันของแม่พ่อกลับพูดว่า ถ้ามันเกิดมาเป็นผู้หญิงกูตายซะดีกว่าสึ่งหลังจากที่ลูกคลอดไม่ได้เจดเดือนก็มีอาเพศเกิดขึ้นจริงๆคือแม่ได้ซื้อที่ดินมันบกบริเวณใกล้ๆเคียงกับแพรเดิมที่เราอยู่พอเราจะได้ปลูกบ้านกันจะได้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่บนน้ำมันอีกไม่ต้องเป็นชาวนะ้ำเพราะเราก็อยู่กันมานานแค่ สามสิบกว่าปีแล้วหังจาแม่ได้ที่ดินเสร็จพ่อก็ไปไดีเสามาต้นหนึ่งไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยสามารถตั้งปั๊มได้คือตกน้ำมันมาหนึ่งต้นจะนามาเป็นเสาปลูกบ้านซึ่งชาวบ้านต่างกระทักชมไม่ให้พ่อเสาต้นนี้เพราะมันเฮี้ยนเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปแต่พ่อไม่เชื่อค่ะ พราะท่านไม่เคยเชื่อเรื่องทำนองนี้เลยสามยังเอาเสาตอนนี้มาเป็นเสาเอกซะ อ, อีกจะในสุดนะคืนดึกสงัดวังเวงเป็นช่วงที่พ่อกำลังดื่มเหล้าเมาอยู่ในบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จหลังนี้ยูยูพ่อก็ร้องแบบกระอักกระอวนดิน้นประปรากเหมือนมีใครนำมาทำร้ายพอแม่ไปพบกับปรากฏว่าพ่อตายแล้วทาให้ชาวบ้านแถบนั้นต่างแห่กันมาดู แลก็ลว่าตัวพ่อมีรอยจำจ้ำอยู่เต็มตัวไปหมดผม บ, บริษนาการตายของพ่อครั้งนี้ไม่มีใครร่วงรู้สาเหตุเลยจะก็ทําให้ชาวบ้านรีบช่วยกันลื้อถอนเอาเสาเอกตกน้ำมันนั้นออกไปแล้วเอาเสาอื่นมาแทนที่และ่วยกันสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จทาให้ครอบครั ว, วเราทุกคนยกคลขึ้นบกได้ ยาจากวิมากลางน้าก็มาอยู่ที่สวรรค์บนดินหลังใหม่ชายน้ำนี่โดยสวัสดีแต่ว่ามันเป็นสวรรค์ปลายนานะเจ้าคะแจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างดำเนินไปอย่างสงบอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งลูกอายุได้ราวสีขวบอยู่ๆลูกก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งมาเล่นแจะเอ่ด้วยในบ้าน ลูกแปลกใจวิ่งไปถามแม่ตามภาษาเด็กว่าผู้ชายคนนั้นคือใครคะซึ่งแม่เองก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะแต่ต่างกับสานที่ถานกันว่าอาจจะเป็นพ่อของลูกได้มหา <Okay. S 1> เธอสี่ขวบนะ <Okay. S 1> มีผู้ชายมาเล่นใจเองด้วยแม่ของลูกท่านเองก็มีชีวิตที่ลำบากมากมาแต่เด็กแต่ก็รักลูก รักครอบครัวมากแต่ในบ้านปลายชีวิตของท่านได้ป่วยเป็นมะเร็งที่รากฟันค่ะหลังจากที่ถอนฟันแล้วท่านปวดทรมานเพราะมะเร็งกินลามเข้าไปในครามแม่ปวดทุรนทุรายจนพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งตอนที่สาวาลูกต้องเฝ้าไว้ไม่ให้คลาดสายตาแต่ในที่สุดแม่ก็ประสบความสาเร็จในการฆ่าตัวตาย คือในขณะที่ผิสางลูกกำลังเอาจานไปเก็บแม่ได้จังหวะนั้นก็กลิ้งตัวเองจากบ้านเี่นบนตกลงมาช่นล่างและกะเสียชีวิตในที่สุดแสดงคงเจ็บมากทรมานมากอยากจะในความทรมานนี้พ อ, องสามีท่านมีอาชีพทนานาชอบสูบยาเส้นและไม่เคยได้มีโอกาสทำบุญเลยวาระสุดท้ายท่านเสียชีวิตเนื่องจากความผิดพลาดของหมอ จ่นำกลั้งส่องลมไส้สอดเข้าไปดูในท้องทำให้เครื่องมือน่ะไปดันจนกระเพาะทะลุทำให้เสียชีวิตลงในวัย7จสบหนึ่งปีคำถามประปรมใดทำให้สามางลูกเซลรหิตในการสมองแตกและอายุสั้นแต่จนแต่เขาสลบไปแปดวันเขานึกถึงบุญได้ไหมตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเธอคงอยากถามแค่ข้อนี้ ข้ออื่นน่ก็แถมเสริมเด้รั บ, บุญที่อาทิตย์ไปให้หรือไม่แล้วก็มีอะไรอยากจะฝากบอกรูปไหมคะมแน่แน่เลยเนี่ยเพราะเธอคือลมหายใจแน่เลยใช่เลยช่วที่สามเองลูกน่าไม่ด้สติอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กชายที่เรารับบรียงังเขาได้ละมื อ, อร้องออกมาว่าพ่ออย่าไป กัพ่อเขาหรือไม่คะจึงละเมอเช่นนั้ น, นบุพกรรมใดทำให้พ่อแม่และลูกๆทุกคนต้องอาศัยอยู่ในบ้านโครงเคลงบนพื้นน้ำนานกว่าสาสิบปีเอหลับได้ยังไงเนะชิลเล อ, เ, อเหมือนเปลย น, นะ ม, มันเมาหัว บุะกรรมไดทำให้ลูกชายคนที่ห้าองพ่อเป็นโรคใครรักษาใหญ่และอายุสัน้นเขาตายแล้วไปไหนเช็กลับมาเกิดเป็นตัวลูกในชาตินี้หรือไม่ถ้าไม่ใช่แล้วทำไมตัวลูกถึงมีปานดำที่กลางหลังเหมือนรอยเขม่าที่พ่อไป้ายไว้ที่ลูกชายคนที่ห้าด้วยคะออทำไมแม่จึงฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมาขอเกิดแล้วพ่อบอกในฝันว่าถ้าเป็นลูกหญิงขอตายดีกว่า หมายความว่าอย่างไรคะทาไมถึงสอดคล้องกับเหตุการณ์จริงคือตัวลูกเป็นผู้หญิงมาเกิดจริงๆแล้วพ่อตายหลังจากลูกเกิดได้ไม่นานจริงๆเอาล่ะสิบุปกรรมใดทำให้พ่ออายุสัน้นพองลูกตายเพราะสาเหตุใดเกี่ยวกับสาวตกน้ำมันหรือไม่ท่านตายแล้วไปอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรบ้างผู้ชายที่มาเล่นใจเอกลู ก, ก่็ใช่พ่อหรือไม่หากไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นคือใครและต้องการอะไรบรุพกรรมได้แม่งลูกต้องเป็นมะเร็งที่ฟันและทําไมไม่ตายด้วยเร้า ม, มะเลงแต่กลับตายด้วยการฆ่าตัวตายในช่วงที่แม่พยายามฆ่าตัวตายหลายครั้ง แต่ไม่ตายนั้นเป็นเพราะในช่วงนั้นมีบุญใดส่งผลช่วยเหลืออยู่หรือว่าเป็นเพราะกรรมข่าตัวตายยังไม่ส่งผลคะตอนนี้แม่ตายไปแล้วนะ่ะไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิไปให้หรือไม่หรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทาให้พ่อสามีตายเพราะความผิดพลาดของแพทย์ส่องกล้องจนกระเพาะทะลุ พอสามีตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเต่ร์ด บ, บนเทวทิต์หรือไม่หรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะและแพทย์ท่านนั้นทำกรรมอะไรมากับพ่อของสามีหรือไม่และจะมีวิบากกรรมในชาตินิรชาติ ต, ต่อไปอย่างไรเด็กชายที่ลูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกมีบุพกรรมใดในอดีตเป็นอย่างไรพ่อแม่ขเขาจึงไม่พร้อมจะรับผิดชอบเขาคะ และลูกกัสามีผูกพันในอดีตกับเขามาอย่างไรเขามีบุญบวชตลอดชีวิตไหมคะแล้วก็เคยสร้างบารมีกัมูนะ่คณะมาอย่างไรคะบุพกรรมใดทําให้ลูกต้องมีสามีที่อายุสั้นคะจะต้องแก้ไขวิบากกรรมที่มีสามีอายุสั้นนี้อย่างไรคะชีวิตขึ้นก็เป็นอย่างเงี้เนาะ ธรรมชาตินี้ลูกและสามีจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีของกันและกันอดีตชาติสามีและตัวลูกสรางแลมีกระหมูคณะมาอย่างไรตัวลูกมีบุญจะรวยกว่านี้หรือไม่มีบุญพอจะเข้าถึงพระธรรมการในชาตินี้ไหมคะผู้สายงานลูกนะ่มีอัธยาศัยอ l e r t เตือนตีสามทุกวันเป็นคน ชอบทำอะไรเร็วก่อนก่อนเสมอก่อนใครเสมอเลยเป็นเพราะอะไรคะ <laughs> เขาเคยสร้างบารมีกระมูขณะมาในรูปแบบใดมีนาทีอะไร <c oughs> เคยกระเถงพัะธรรมากายไหมคะจำ เ, เรื่องราวและคำถามได้ัหมจ๊ะจำได้ร <c oughs> ับหลัตาฝันเป็นตูมิตะเตืนขึ้นมา แล้วก็นำมาล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันชาสามีของลูกการเราเห็นในสมองแตกและอายุสั้นพระกำปานาธิบาทได้เป็นทหารระดับผู้กองได้ฆ่าข้าศึกด้วยตัวเองและสั่งการด้วิบากรรมนี้มาส่งผล แต่บุญในปัจจุบันแล้วดีที่เคยทำไว้จึงทำให้วิบากกรรมเบาบางลงและตายอย่างไม่ทรมานจ้าในช่วงสลบไปแดวันใจของเขาใสเพราะใจเขาเป็นบุญอยู่แล้วเนี่ยเขาสั่งสม บ, บุญมาตลอดป่วยแค่กายเท่านั้นเองอยู่ในบุญอยู่แล้วเป็นปกติของเขาเลยทุกวัน แต่เหมือนคนนอนหลับไปนะในช่วงสลบไปแปวันใจก็จะใส ย, ยังไม่ใช่ว่าใจใสนี่ต้องทำเองต้องสั่งสมสั่งสมความใสเอาไว้ทุกๆุกวันเลยเอาไถึงเวลาที่ที่เราจะต้องเจ็บปวดไข้จะเดือดอาการใดอาการหนึ่งหรือเป็นหนักขนาดสลบขนาดนี้ความใสของใจก็ยังคงอยู่อาจาร จะดูอาการที่ป่วยไข้แค่กายหยาบเท่านั้นแหละตายแล้วเหมือนตื่นขึ้นแล้วกายละเอียดก็หลุดออกมาเห็นบริวารห้อมล้องพร้อมเทวรัขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มาทำตามหลักวิชา จะมาเวียนพระทักษินรอบมหาธรรมกายเจดีย์กระลึกถึงบุญทุกบุญและก็แวะไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตสเบียงเจได้รับบุญทุกบุญที่รูวงที่ไปให้แล้วก็ริงทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นกำลังชื่นชมทิพยสมบัติแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเข้าฟอมหาสมณเทพบุตร ที่วิมาณของท่านก็กำลังบุญเต็มที่เนี่ยและท่านก็กำลังเตรียมประชุมนั่นจะเรียกเร็วหน่อยเด้ฝากข้อความมาว่าเทพพระบุตรสุดหล่อฝากข้อความมาถึงเทพธิดาในเมืองมนุษย์ว่าอย่าร้องไห้อย่าเสียใจ ให้ทำหน้าที่ต่อไปแล้วก็ทำแทนเขาด้วยจ้ะซึ่งอริางหจึ่งชุดทีสามเองลูกนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กผู้ชายที่รับมาเลี้ยงเด้เมอร์ออกมาว่าพ่ออย่าไปนั่นก็เป็นเรื่องของเด็กละเมอไปตามภาษาเด็กเพราะเขารู้ว่าพ่อไม่สบายหนักเท่านั้นแหละเขารู้อยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้มีการละเอียดของสา ม, มีลูกมาเยี่ยมจ้ะพ่อแม่และลูกๆทุกคนต้องอาศัยอยู่ในเรือนแพนนานกว่าสามสิบปีเราทุกคนน่ะเป็นคนเคยอรวยเศรษฐีเก่าที่มีอัตยาใส่ชอบดูถูกคนอื่นอีกทั้งทำทาน ม, มาน้อยด้วยจึงมีกำลังทานบารมีน้อยก็ทำให้มีบ้านอยู่ตามสภาพของกำลังบุญเลยจ้ะ กับกรรที่ไล่คนออกจากที่ดินของตนที่ติดริมน้ำจนเขาต้องอาศัยอยู่ในเรือนแพเป็นกรรมเสริมวิบากกรรมนั้นกลา่าวมาส่งผลจะจะส่งนานกว่า30สิบปีลูกชายคนที่ห้าของพ่อเป็นโรคไข้รากาษฎร์ใหญ่และอายุสัน้นเพราะแน่ดีชอบวางยาเบื่อสัตว์ แลวยาเบื่อใส่ลงไปในอาหารสัตว์มากินมันก็ตายเช่นหมาแมวหนูเป็นต้นมาส่งผลจ้ะจริงๆตั้งการเบื่อมดเวหนูอะแต่แมวกับหมาอยู่ว่วางๆผ่านมากะลุยซะตายแล้วตอนนี้ลูกชากคนที่หาของพ่อก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วแต่ไม่ใช่ตัวลูกกันแล้วันใจ ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ที่มีปานกลางหลังนั้นก็มาพ้องกันพอดีกับกำรเรนิดดีขึงตัวลูกอ้าวเอาล้วสิโดยในชาติหนึ่งลูกเนะี่ยมีบ้านติดอยู่กับกําแพงด้านหลังของวัดลูกเดี๋ยวเอาขยะไปเผาแถวนั้นตอนกาแพงด้านหลังวัดเป็นรอย ด, ำดำํำๆที่บากรรมนี่มาส่งผลจ้า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 เรื่องก็ถูกดึงไม่พ้อง ก, กันกับการเกิดของลูกและการตายของพ่อแต่ความจริงไม่เกี่ยวกันจ้ะพ่ออายุสั้นเพราะกรรมฆ่าสัตว์รมอาหารทมกับกแกล้มฆ่าสัตว์ใหญ่น้อยทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะคือฆ่าสัตว์ตดชีวิตเนี่ยวิบากกรรมนั้นจะตัดชีวิตเราตัดล่อนเลยท่าน ตายเพราะหัวใจวายเฉียบปลันหมดอายุไขแล้วไม่เกี่ยวกับสาวตกน้ำมันจะ้ะตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่มาเชิญตัวไปเยโ ม, มโลขอมหาดนรรขุมห้าเด็กกมดืมสุราและถูกพิพากษาให้ไปถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนตอนนี้กำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้าทองแดงร้อนอยู่ มีความทุกข์ทรมานมากจ้ะลูกต้องทำบุญนุทิปให้ท่านเยอะๆนะจ๊ะเพราะอยู่ในภูมิที่รับบุญได้พี่ชายที่มาเล่นเจ๊เอกาลูกก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นที่ผ่านมาเห็นเด็กน่ารักก็เลยไปแกล้งล้อเล่นหลอกเด็กเท่านั้นอย่าไปนสนใจเลยจ้ะนั่นเจ๊เอ แม่ของลูกเป็นมะเร็งที่ฟันพระเก่งจังเลยลูกใควรวาะาเรียนโรงเรียนอะไรกเรนฏิบัวิที่ข่าสัตว์ธรอหารและข่าขาย บวกกับวิจีกรรมในอดีตที่เคยพูดทับถมน้องสาวที่ผิดพลาดในชีวิตหลายๆเรื่องพูดไปเรื่อยๆจะน้องสาวเครียดเลยหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายวิบากรรมนี้มาส่งผลจ้ะอาเป็นมะเร็งที่ฟันจะตายด้วยการถูกฆ่าตัวตายด้วยการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายในปณฏิบาติ ว, รรวิจีกรรมบวกกันเป็น มะเร็งดีฝันแตไม่ตายด้วยมะเร็งแต่ตายด้วยการฆ่าตัวตายมิบา ก, กรรมนี้มาส่งผลให้ฆ่าตัวตายทันที่จะตายด้วยโรคมะเร็งจะเมื่อคำเมื่อกรรมฆ่าตัวตายยังไม่ส่งผลแม่ก็จะพยายามฆ่าตัวตายเท่าใดก็ไม่สําเร็จจะเพราะกรรมมันยังไม่ส่งผลเต็มที่แม่ตายแล้วก็ไปยมโลกเพราะกรรมฆ่าตัวตายทําให้ใจเนเศร้าหมอง อยู่ในเราโยมโลกกับย้ำคิดย้ำทำย้ำฆ่าตัวตาย oh. กำลังกลิ้งตัวเองลงมาจากเนินเขาที่ขรุขระแล้วก็เดินขึ้นมาใหม่ทุกสรมานมาก oh. เหล็กร้อนนั่นนั่ น, น oh. เนื้อตัวนี่ไม่ต้องพูดถึง oh. พอตายไปไปถึงพื้นฟื้นเดินขึ้นไปใหม่วิบากกรรมกรรมบันดาลให้เป็นอย่างนั้นฆ่าตัวตายเอง ไม่ต้องเดือร้อนถึงเจ้าหน้าที่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดยันพ่อนโทษลงมาคืออายุอยู่ในยมโลกกันน้อยลงไปถามท่านท่านก็ บ, บอกอยากพ้นกรรมมากและอยากได้บุญมากกว่านี้จะก็อด้ลูกก็ทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆนะจ๊ะ พ่อของสามีตายแล้วความผิดพลาดของแพทย์ส่องกล้องจงกระเพาะทะลุนั้นก็เป็นกรรมใหม่ของหมอแต่เป็นกรรมเก่าของพ่อเรื่องมีอยู่ว่าแนดีพ่อชอบใช้ชะมวกแทงปลาเป็นนำมาทำอาหารเป็นประจำนำมาส่งผลตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วแต่ค่อนข้างยากจน เพราะไค่ยได้ทำทานจ้ะไม่อาจจะรับบุญได้จ้าเด็กชาที่ลูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกพ่อแม่ของเด็กไม่รับผิดชอบเราะเด็กคนนี้ในอดีตก็เป็นลูกช้างลูกเองแหละแต่เขาเกเรได้เคยทําผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่ได้ดูแลลูกที่เกิดขึ้นได้ยกแม่คนอื่นเลี้ยงแต่มีบุญที่เลี้ยงดูบิดามารดานํามาส่งผล แต่๋ยวมาเจอพ่อแม่แน่ดีมารับเลี้ยงเป็นลูกจ้ะ oh. เ, ออเพราะฉะนั้นพึงเลี้ยงดูบิดามานดาเถิดบุญนี้จะคอยส่งผล น, นะจะให้มีคนมารับเลี้ยงตลอดแหละลูกกับสามีกับผูกพันกับเขามาโดยเคยเป็นพ่อแม่ลูกครับจ้ะกับเด็กคนนี้ <Yeah. S 1> เขาก็มีฝังบุตมาแต่ยังไม่หนาแ น, น่น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 แล้วก็ออกบวชเจ้าอ่ะก็มาลัดที่สุดไงก็ถามมาได้ใครจะไปลิขิดก็รปนกรรมส่วนตัวของเขาอ่ะมันยังงั้นี่ยต่อจากนี้ไปให้ลูกประพฤติพรหมจรรย์แล้วอธิษฐานจินบูชาแล้วก็ออกบวชน่แหละ จะไม่เจอสามีสัน้นชาตินี้ลูกกับสามีเป็นคู่ชีวิตที่ดีซิ่งกันและกันเพราะสร้างบุญบาด้วกันหลายชาติโดยมีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันวงาไงว่าตามกันตลอดเลยเนละคู่นี้น่ารักดีสร้างบุญบารมีด้วยกันมาหลายชาติแล้วสามีและตัวลูกสร้างบารมีกบหมู่คณะมาโดยมาพุทธดืที่ผ่านมา สามเองลูกเดเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ฆ่าค่าศิกตายเป็นจํานวนมากทั้งฆ่าเดี๋ยวตนเองและสั่งการต่อมาก็ได้ออกบวชช่วงสั้นเพราะเพราะคิดถึงตัวลูกก็นเลยซึ่งเป็นภรยาของเข้ามาตอนก่อนบวชก่อนบวชเป็นภรยาเข้าเนี่ยนั่งไปคิดไปนั่งไปคิดไปเลยออกไปทำหน้าที่ของสเสบียงดีกว่า ก็เลยเอามาเป็นการทำหน้าที่กองสุเบียงขโมกคณะเจะ้าคิดถึงตัวลูกกันเลยนี่มันอย่างนี้แหละแล้วตอนนี้ตัวลูกก็คิดถึงตัวเขาอืตัวลูกก็มีบุญที่จะทําให้ฐานน่าดีขึ้นไปเรื่อยๆและการปฏิบัติธรรมก็จะดีถ้าทําทุกวันก็จะทําให้เข้าถึงพระในตัวได้จ้ะผู้ประสานงานลูกวินิสัยเอรเลิศเตื่นทีสามทุกวันเป็นคนชอบทาอะไรเร็วก่อนใครเสมอพระ ในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ทาหน้าที่ตีกลองบอกเวลาให้ทหารทํากิจอากขัยทายในทํานองนี้บ้างโ อ, อ้ตกแต่นะนิสัยนี้จึงติดตัวมาจ้ะ oh. เคยสร้างพระามัยกบหมู่คณะมาโดยพุทธันดรที่ผ่านมาเดี๋ยออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิต มีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เห็นองค์พระพอตระลักกลับดุสิบุรีวงบุนพิเศษได้จ้ า, าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิบุรีวงบุนพิเศษเขตบรมโมพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้าทีาา่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสัีสั้นๆ ส, ส, ส, สาหรับคืนนี้